ก้าแสแห่งธรรมที่ต่านแสดงไปไม่ขาดวักขาดตอนนั้นย่อมทําให้จิตลืมความคิดต่างๆซึ่งเคยคิดโดยโปกติของจิตแล้วก็เป็นกลายเป็นความเพลินต่อธรรมมันกลายเป็นความสงบลงไปได้หมายั้งผู้ที่ยังไม่เคยอบรมเลยไปนั่ง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 ท่านตุงท่านแต่งให้เสร็จเนือน้อหัดเนื้อทําท่านแสดงเข้าไปสัมผัสซึมซาบั้งจิตใจให้เกิดความซาบซึ้งให้เกิดความสงบเย็นใจลงโดยลาดับถ้าจิตเกี่ยวกับทางสมาธิก็สงบได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าที่เราบังคับบัญชาให้สงบโดยลาพังที่เราภาวนาูเพียงคนเดียวถ้าเป็นด้านปัญญา ถ้าอธิบายไปในแง่ใดปัญญาจะตามท่านคือขยับตามท่านเลยๆลๆเทินไปตามนั้นเหมือนกับท่านพาบุกเบิกท่านบุกเบิกให้เราก็ด้อมตามหลังท่านไปเพราะฉะนั้นรั้งพุทธการจึงเป็นพื้นฐานมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับการฟังเทศ ทั้งบุตธการฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพราะคำว่า ศ, าศาสดาแล้วก็พร้อมหมดรุกสิ่งทุกอย่างผู้ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นผู้ฟังอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้มีภูมิจิตภูมิใจเหลื่อมล้ำตามสูงต่างกันการฟังเทศยิงต้องได้นับผลประโยชน์ในขณะที่ฟังต่างๆกันไปโดยลำดับบางท่านที่มีอปนิสัยสามารถเรียกว่า ประเภทอุปติตัญยูวิปจิตัน ย, นยูคือผู้ที่จะสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วนี้รองกันลงมาอย่างนี้ท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแม้ในขณะนั้นยังไม่ได้สำเร็จหรือยังไม่ผ่านก็เป็นการขย่บืบขั้นภูมิขึ้นไปครั้งนี้ขยับขึ้นไปฟังครั้งนั้นขยับขึ้นไปหลายครั้งหลายผลก็ทะลุไปได้ แล้ิพย์ระที่มีจํานวนเท่าไรที่ฟังเทศนั้นย้วนแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติผู้มุ่งต่ออัตตตธรรมอย่างยิ่งไม่เหมือนกับสมัยปัจจุบันของเราเนี้ยซึ่งเทศผู้เทศก็รู้สึกจะเทศเพราะเป็นพิธีผู้ฟังก็ฟังเป็นพิธีไปเสียก็เลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังมณีศีศาสนาเป็นพิธีมันก็เลยกลายเป็นโลกไปเสียจากศาสนานั่นแหละ ในทางภาพปฏิบัติผู้ตีจะแสดงอาจแสดงทำให้ฟังตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมานั้นก็มีจำนวนน้อยไม่เหมือนครั้งพุทธกาศซึ่งมีสาวกมากมายกายกองที่สำเร็จไปโดยสมบูรณ์แล้วการฟังธรรมจากสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธการจึงฟังได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีจำนวนมากและสถ า, านที่ที่บาเพ็ญก็ สะดวกสมายเป็นในป่าในเขาในที่เงียบสงับมาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติที่จะรู้จริงเห็นจริงดังครั้งพุทธการก็มีจํานวนน้อยนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติที่สนใจต่ออรรถธรรมอย่างจริงจังเหมือนครั้งนั้นก็มีจํานวนน้อยอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามผู้มุ่งถอต่ อ, อตรธรรมฟังอัดฟังธรรมจากการปฏิบัติของครูอาจารย์ที่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 พอจวนจะถึงจุดนั้นจิตจะเจอะ ท, ทันทีเพราะนั่นเป็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถจะแก้ได้ทะลุกุโร่งไปขณะที่ฟังก็รอท่านไปถึงที่นั่นท่านจะว่ายอย่างไรอุบายท่านจะแก้ในจุดนี้ท่านจะแก้อย่างไรจิตจอกขอนั้นพอท่านอาธิบายไปถึงจุดนั้นท่านผ่านไปเลยด้วยอุบายที่ท่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเราก็ได้ ทติขึ้นมาทันทีรู้เขาคือเข้าใจในจุดนั้นทันทีก็เป็นอันว่าท่านช่วยแก้ในจุดนี้ผ่านไปได้จุดหนึ่งจากนั้นเราก็ปฏิบัติโดยลําดับตามธรรมนาของขั้นปัญญา น, นี้จะมีความคล่องใจโดยลํำดับความคล่องใจที่จุดไหนนั่นแลคือจุดของงานที่ปัญญาจะต้องพิจิตพิจนารณานทํางานอยู่โดยลำดับ ขณะฟังธรรมเป็นขนาดที่แก้กิเลสไปในตัวของภูมิปฏิบัติได้มากได้น้อยหากได้ไปเรื่อยๆครั้งนั้นครั้งนี้หลายครั้งหลายหนก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับครั้งผู้ถากแม้จะช้าจะเร็วต่างกันอยู่บ้างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติที่จะรู้จะเห็น ในครั้งคนตาการท่านมุ่งต่อการถอดถอนกิเลสตัถ่ายเดียวหรือจะแยกเป็นเปอร์เซ็นก็เรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นุ่งปฏิบัติเพื่อความลุพ้นในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีบวชเพราะเป็นพิธีหรืออะไรอะไรอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีในครั้งนั้นต่อมาก็ค่อยเรือนลางค่อยจางไปเป็นธรรมดาการฟังเทศใน ด้วยภาดปฏิบตัติคือกําลังนั่งฟังอยู่ในขณะท่านแสดงธรรมนั้นมันเป็นความเพลิดเพลินภายในจิตใจของผู้ฟังแต่ละท่านละท่านทีนท่ต่างองค์ต่างสนใจหรือต่างคนต่างสนใจจึงไม่กาหนดไม่สําคัญกับเวลาเวลาว่าท่านเทศนานหรือไม่นานสองสามชั่วโมง4ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คํานึงถึงเวลาเวลามีแต่ความรู้กับกจิต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 อย่างนั้นก็ออกไปบำเพ็ญดูโดยลำพังตนเองเมื่อได้รับการอบรมจากท่านแล้วต่างองค์ต่างหาที่หลบซ่อนไปบำเพ็ญโดยลำพังตนเองผู้ใดอยู่ในภูมิใดก็เร่งในภูมินั้นของตนเป็นภูมิสมาธิที่ยังไม่มีความแน่นหนามั่นคงพอก็เร่งแล้วปัญญาก็พิจารณาในตามการที่เห็นสมควร ไปโดยลําดับเช่นเดียวกันผู้อยู่ในขั้นปัญญาล้นลวนก็จะพิจารณาตั้งแต่ด้านปัญญาฟังเทศอยู่ตรงนั้นทํางานเพื่อการแก้การถอดถอนกิเลสฟังเทศในหลักธรรมชาติแก้กิเลสไปนในตัวในขณะที่พิิพิจารณาเป็นความเพลิดความพนใ น, ในงานของตนและผลของงานที่เกิดขึ้นแต่และชิดละอันนี้เป็นผลของงานที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสได้ทั้งนั้นโดยลําดับลํำดับ ความเพลิน ท, นทในธรรมจะมีเป็นความเพลินที่แปลกประหลาดเพลินไม่อิม่มไม่พอแล้วเพลินนั้นไม่มีความเศร้าโศกเครือแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลินในสินทั้งหลายจิตใจถ้าฟังทางด้านปฏิบัติเข้าใจก็แสดงว่า ฐานรับของจิตมีพอสมควรแหละตามธรรมดาถ้าเราไม่มีฐานของจิตไม่มีอะไรเลยนี่ฟังด้านปฏิบัติจะเข้าใจได้ยากแม้ แ, แต่อาจารย์เองก็เคยไปฟังเทศท่านอาจารย์มัน่นฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเวลาท่านเทศถึงเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องกิเลสการถอดถอนกิเลสด้วยอิธีใดอาการใดฟังไม่เข้าใจเพราะฐานของจิตเราไม่มี มีแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญโดยถ่ยองแต่เวลาจิตได้อบรมไปโดยลำดับฟังเทศไปโดยลำดับก็เกิดความเข้าใจและทราบซึ่งจนกระทั่งจิตเรามีฐานแห่งความสงบแล้วยิ่งไถ่เลาะเพราะเพ่งทราบซึ่งตลอดเวลาในการฟังและจากนั้นก็ยิ่งมีความดูดดื่มหิวกรหาอยากฟังท่านเทศบุตรตลอดเวลา เทศละเอียดรอเทศทำสุ ข, ขันสูงเท่าไรแม้ตนจะยังไม่เข้าใจในทำขันนั้นแต่จิตก็ เ, เพืดเพินไปตามประหนึ่งมือจะเอื้อมถึงพระนิพพานอยู่แล้วในขณะที่ท่านเทศเป็นความเพิิดเทินวาดภาพพดไปตามรู้สึกว่ามันรื่นเริงภายใจิตใจเทินไปตามเหมือนพอท่านเทศจบลงแล้วเหมือนกับเอากราะทมาครอบหัวเนี่ย มองไม่เห็นเลยพยายามบึกบืนตะเกียวตะกายไปตามกำลังความสามารถของตนเวลามันไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจิตใจดังที่เทศเมื่อคืนนี้เวลามันโง่มันก็เหมือนจะไม่ฉลาดเลยเวลาหลงก็เหมือนจะไม่รู้เลยเวลาทุกข์ก็เหมือนจะไม่มีสุขอยู่ภายในตัวเลยคนทั้งคนจิตทั้งดวงไม่มีสาระอะไรเลยเหมือนกับฐานเพิง ถ้าพูดถึงร้อนมันก็ร้อนเหมือ น, นถ่านเพิงพูดถึงดำมันก็ดำเหมือนถ่านเพิงที่ไม่มีไฟแต่เพราะการชำระการบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอก็ค่อยชำระขัดเกาไปเรื่อยๆค่อยผ่องใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาความรู้ก็เกิดขึ้นความฉลาดมันก็มาพร้อมกันความสุขก็มาพร้อมกันกับความปผ่องใสใจระเบิกบานยิ้แย้มแจ่มใส มองเห็นเรารู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นโดยลําดับจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายใน จ, จิตใจของตนก็มีเมื่อปฏิบัติเข้ามัมากก็อะไรอะไรก็พิจารณาไปหมดถึงโลกกระแทจะมากน้อยเพียงไรก็พิจารณาไปหมดป่อยวางไปโดยลําดับลํำดับด้วยการเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผลสุดท้ายแม้แต่เรื่องธาตุเรืองขันก็สับแต่ว่าธาตุมาขันพิจารณาลงไปอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายนอก กายของดราก็จะได้กดแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันจนเข้าใจเรื่องภายในคือส่วนร่างกายได้อย่างชัดเจนกับสิ่งภายนอกใจก็ยิ่งมีความสว่างสวัยเลยจากห่องใสกเรียกลายเป็นความสว่างสวัยร่างกายของเราทิตแต่ก่อนก็เหมือนภูเขาทึบทั้งลูกนั่นแหละแต่เวลาจิตใจมีความ ทองสายมีความ ส, ว, าสว่างไสวแล้วมันแทงทะลุไปได้หมดร่างกายเหมือนไม่ไหมนีก็เป็นเงาเง า, เ, ง า, เ, ง า, เ, งาเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งความรู้อานาจแห่งความสว่างที่มันปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดภารจิตใจเป็นประจำอยู่ภายในร่างอันนี้มอง อ, อะไรก็สว่างไปหมดเพราะจิตสว่างนั่นแหละตอนมีความอัศจรรย์นั่งอยู่ที่ไหนก็ภูมิใจตัวเอง อัศจรรย์ตัวเองคืออัศจรรย์จิตดวงนั้นนี่จิตดวงเดียวนี่แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างหนึ่งและต่อมาต่อมาเป็นอย่างหนึ่งค่อยเปลี่ยนสภาพมาเรื่อยๆด้วยการซักการพฟอการปฏิบัติการบำรุงรักษาของเราจนกระทั่งถึงขั้นมีความสว่างส ว, า, งสวายเกิดความอัศจรรย์ภายในตัวเองงานที่จิตขั้นนี้พิจารณาก็มีแต่เรื่องขันเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นใด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 วิสัยของสติปัญญาที่จะสามารถอารู้ได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่เสมอหรือด้วยการอบรมสติปัญญาให้มีความแก่กล้าขึ้นโดยลำดับาสามารถรู้ได้เช่นเดียวกับขนนันอื่นๆคือรูปประขันรู้ได้ต่อยได้เวทนาขันรู้ได้เวทนาขันนี่หมายถึงเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตโอเปิดขึ้นภายในขันก็ขเข้าใจ สัญญาขันเข้าใจสังขารขันเข้าใจแล้วขันอันนี้จะละเอียดโดยลําดับจนกระทั่งรวมเข้าไปสู่จิตอันเดียวรูปอัญญาบก็รู้เท่าเวทนาอันหยาบเกี่ยวกับร่างกายรู้เท่าสัญญาที่หมายกับหยากรู้เท่าสังขารคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆรู้เท่าเห็ญาณรับทราบผิวภายนอกรู้เท่า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 ดับไปทั้งสิ้นดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่คือความค้นคว้าความทดสอบหรือความสังเกตของจิตเพื่อจะหาต้นตอมันมันเกิดจากตรงไหนมีเท่านี้เป็นงานของจิตนอกจากนั้นปล่อยหมดไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดเพราะจิตเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วจะเอาความหมายมาจากไหนจิตเป็นผู้ไปให้ความหมายว่านั้นดีนี่ชั่ว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 เมื่ออยู่ไปนานๆครองกันไปนานๆชมกันไปนานๆรักสงวนกันไปนานๆชอบใจกันไปนานๆานมันก็ทําให้มีแง่คิดได้สิ่งที่จะให้มีแง่คิดก็คือความสงวนไม่ให้อะไรมาแตะต้องอีกดวงนี้เลยบางทียังมีปรากฏเป็นความเฉาๆขึ้นมานิดๆให้รู้ แล้วมันเฉาขึ้นมาได้ยังไงเป็นข้อกังวลอันนขึ้นมาตามขั้นของจิตแม้จะไม่มีมากก็ตามนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนาอันหนึ่งที่มันแทกขึ้นมาจากที่มันเกิดขึ้นมาจากความที่ว่าจิตเฉาๆหน่อยนี่มีเวทนาของจิตไม่ใช่เวทนาของกายอยู่เฉยๆร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดก็ตามเวทนาของจิตแสดงความเป็นความสุรุ่นเริงภายในจิตดวงนี้ก็เป็นสุขเวทนา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 ว่าใสาแล้วทำไมเฉาทำไมเศร้าหมองอยู่ได้เพียงตากดนิดนึงก็ตามก็ให้เห็นประจักษ์พระพยานว่าอันนี้ไม่เป็นของเที่ยงไม่เป็นของแน่ใจพอที่จะนอนใจตายใจได้นั่นเนี่ยจรงปัญญาเราต้องจะปักเข้าไปองนั้นนี่มันเป็นอะไรแน่เนี่ยมันตึงเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็แสดงว่าไม่แน่ใจหรือไม่ไว้ใจกับความสว่างถวัยความอัศจรรย์อันนั้น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 กับจุดอ น, นั้นที่สลายตัวลงไปนั่นสมมุติขั้นสุดยอดแห่งสมมุติข่านสุดยอดแห่งกิเลสแห่งอาสวะท่านเรียกว่าอาวิชชานี่แหละคืออวิชชาตรงนี้เองไม่มีอันใดเป็นอวิชชายิ่งกว่านี้ละเอียดละออมากที่สุดจนถึงขนาดม่าต้องหลงไปได้ลืมตัวไปได้เถอไปได้ทนี้เมื่อความมหัศจรรย์ ของสมมติอันนี้สลายลงไปแล้วสิ่งที่เป็นนิมุตไม่ต้องถามการสะจั่์เหนืออันนี้สักเท่าไหร่พระสเดาของโลกเป็นผู้เหนือโลกเป็นผู้ประเสริฐสุดพระสาวกอราหันอรหันท่านประเสริฐสุดท่านประเสริฐสุดพทอดจิดรวงที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากเครื่องหุ้มหอ่อมีความสว่างสวายลึกความป่องสใยนี่เป็นต้นเมื่ออันนี้สลายออกไปแล้ว น, นั่นก็แสดงตัวเต็มที่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 สมมติต่อสมมติก็ตามกันมาถึงกันได้พอสมมุติอันละเอียดนี้สลายลงไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏแล้วพระอหันท่านจะเสวยสุขเวทนาภายกิจิตงท่านเหมือนอย่างที่เคยเสวย ส, สุขเวทนาเวทนามั้งหลายเป็นไปไม่ได้น่ะมันเป็นเครื่องยืนยันในตัวเลยเวทนาเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดจิตดวงนั้นพ้นจากสมมติแล้วจะเป็นเวทนา เหมือนอย่างสมมติทั้งหลายนี่ไม่ได้เหมือนอย่างจิตทั่วไปนี่ไม่ได้แล้วก็มีข้ออันหนึ่งที่แสดงขึ้นในหลักธรรมว่านิพพานัง p a r a m สุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความสุขของพระนิพพานนั้นไม่ใช่ความสุขอย่างลกโลกนี่พอที่จะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วหายไปเป็นความสุขที่มีอยู่ดั้งเดิมกับธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเท่านั้นจึงไม่จัดว่าเป็นเวทนาถ้าเป็นเวทนาก็ต้องอนิจจังตุก ข, ขังหน้าตาไปด้วยกันหมด อันนั้นไม่เป็นเวทนาจึงไม่มีรอย่างทุกขังตาใดใดทั้งหมดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทําลายได้เลยขั้นพ้นจากขั้นที่พ้นจากสมมติเป็นอย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐในจุดนี้เองแล้วนํำทำออกจากธรรมชาติอันนี้ส่องสอนโลกไม่ออกจากจุดใดหรือไม่ออกจากอันใดไมาออกจากความบริสุทธิ์นี้เท่านั้นแสดงธรรมมาอันนี้เป็นของจริงเต็มส่วนถ้าพูดถึงเปอร์ซ็นก็ร้อยเปอร์เซ็นแสดงธรรมออก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 มีอุบายวิธีต่างๆที่สังสอนโลกได้กว้างขวาง ม, มากมายและสาวกท่านก็สามารถลองจากพระพุทธเจ้าลงไปอีกเพราะรู้ความจริงเห็นจริงเหมือนกันเป็นเด็กอย่างว่าไม่กว้างขวางเพราะเป็นสาวกนิสัยเป็นมิสัยของสาวกอื่นมิสัยของพระเจ้าต้องผิดกันเป็นธรรมดาแม้จะพึ่งความประสูธิด้วยกันก็ตามความสามารถที่จะนํำทำในแง่ต่างๆออกมาสอนโลกนี้ต้องเป็นไปด้วยสติปัญญาความสามารถฉลาดรู้ของตามมิสัยของผู้นั้นๆ ตลอดถึงครูบาอาจารย์ของเรายกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นการแสดงธรรมนี้ไม่มีใครเท่าที่ผ่านมานี้จะเหมือนท่านอาจารย์มั่นบ้างนี่เลความฉลาดแหลมคมการแสดงออกในแง่ต่างๆของธรรมทันกับผู้ฟังคือทันกับทิ่เลือดของผู้มาทุกขา์าอารมณ์เพราะฉะนั้ี่เลืด จ, จึงต้องหลุดลอยไปเรื่อยๆจากการสดับรับฟังกับท่านนพิกกันอย่างนี้อย่าเพราะคหนึ่งรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดออกมาจากความจริง ผู้ฟังก็เต็มเ็เต็มหน่วยเข้าใจตามหลักความจริงนั่นเลยไม่ผิดเพี้ยนไปที่ไหนนี่มาได้แบบงูงูปลาปลาเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายสั่งสอนกันเจ้าของปฏิบัติมาของลูกดุ่มนอนนอนงูงูปลาปสั่งสอนคนอื่นจะเอาจริงเอาจังมาจากไหนเพอเจ้าของหาความจริงไม่ได้สั่งสอนคนก็จริงไม่ได้ที่งงถงง้ต้องงูปลาออกไปผู้ฟังก็ฟังงูปลาลุกๆงูปลาแล้วมีแต่งูปลาเต็มศาสนาเต็มคนผู้ปฏิบัติศาสนาเงี้ยเนั้นเอาให้งูก็งูจริงที่เห็นชัด ปลาเขาปลาจริ๊งประจับ ก, กับใจของเรานี่จะเป็นทำขั้นใดก็าตามให้รู้ประจับ ก, กับเราทำเป็นสัตย์โกผู้ทีเจ้าไม่ทรงผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเองด้วยกันทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเพศใดก็าตามเพราะจะจะทํามีเหมือนกันหมดไม่ยอมว่าหน้าป่วยและคารว่าว่าหญิงว่าชายขึ้นอยู่กับการปฏิบตัติทำเป็นของกลางส่วนเพศนั้นท่านพูดทำไว่าตามขั้นตามภูมิประกาศว่าผู้นี้เป็นเพศ นักรบผู้ง่ายๆเพจนนั่งบวชเว้นจากจิตบ้านการเดินทั้งหมดแล้วไม่ไปเกี่ยวข้องมีหน้าที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งยิง่งโดยถ่าเดียวแต่เมื่อเข้าสงครามแล้วเป น, น้อยที่เด็กเขาปืนแหววตายที่เถินเนี่ยนี่บวชมาแล้วตั้งไม่ตั้งใจจะปฏิบัติแต่ว่าเข้าสงครามแลเจ้าของสงครามที่เลี่ยมันแทงเอาแท ง, เ อ, แทงเอาตายพิฆาตพิถายเนี่ยมันก็ผิดแปลกอะไรกับฆราวาสเขาดีไม่ดีสู้เขาไม่ได้เการปฏิบัติธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่ง การรักษาเพศทั้งตนนี้เป็นอีอย่างมันคนหนึอย่างเนี่ยเรื่องกิเลสแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่ า, ว า, ว า, น, า, านักบวชฆราวาสแจ้กันได้ทางนั้นถ้าจะแก้ อ, อ, อืการสแสดงธรรมข อ, ของครั้งพุทธการยึงผิดกันมากมายกัศกองแล้วกับภูบาจารย์ที่ท่านรู้จริงย่างจริงดังที่อธิบายมานันผู้ฟังถึงใจทราบซึ้งถึงใจแล้ว ย, ยังเป็นเชื่อหรือเป็นเครื่องหนุน พลังจิตใจเราให้มีแก่กจกิตใจรประพฤติปฏิบัติตามเด็ดด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความน้มสายความถึงจิตถึงใจาจากการฟังของท่านเป็นหลักสำคัญเราก็เป็นเครือญาติของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมไม่ต้องว่าสมัยโน้นสมัยนี้สมัยโน้นรู้สมัยนี้ไม่รู้สมัยโน้น คนปฏิบัติบรรลุผลนิพพานสมัยนี้คนให้บรรลุเราอย่ไปคิดอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดจะเป็นการส่งเสริมกิเลสใช่ไหมสมัยน้นท่านก็สอนคนมีกิเลสเนี่ยกิเลสมีประเภทเดียวกันกันกบพวกเราแล้วสมัยน้นท่านก็สอนคนให้แก้กิเลสอันเราก็แก้เหมือนสมัยน้นแก้กิเลสตัวไหนตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับกิเลสสมัยน้นแก้ด้วยข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อปฏิบัติในครั้งโน้นผิดกันที่ตรงไหนแล้วจะมีการมีเวลามีสถานที่ที่ตรงไหนไม่มี อยู่ที่ใจของเราชาจะทํามไม่มีการสถานที่อยู่ที่เราด้วยกันถ้าจะทําคืออะไรทุกสมุทยัยนี่เป็นฝ่ายกีดกัน้นมรคคือข้อปฏิบตัตินี่เป็นฝ่ายบุกเบิกนิโรธเป็นเครื่องดับทุกเมื่อบุกเบิกได้เท่าไรด้วยด้วยมรคนิโรธกระดับทุกประเดิมดับไม่มีเหลือภายในใ จ, ใจิตใจเช่นเดียวกับข้างพุทธกางนีหายุ่นเข้ามาตรงนี้เราจะไปคิดบากการนั่นการนี้ เป็นการให้ทําให้เราท้อถอยจิตใจนี่เป็นรูบางที่เดชสอนเราอีกเราจะรู้เราจะไม่รู้เท่าทันที่เดชเดี๋ยวจะคลานไปตามมันโดยไม่รู้สิดตัวให้เอาทำมาเป็นเครื่องมือดังที่สอนดังนี้แล้วจะเราจะมีปัญหาในขั้นบูตการกับขั้งนี้เหมือนกันสําคัญอยู่ผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นอันนี้เป็นที่เป็นที่แน่ใจข อ, อยุติตการแสดงเพียงเท่านี้